4. เรียนแล้วต้องลงมือปฏิบัติพวกเราอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเรียนแล้วต้องลงมือปฏิบัติถ้าจะคุยก็คุยเรื่องคาถาวัตถุเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องการมีสติสมาธิปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องนิพพานในเบื้องต้นต้องเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือทําจริงๆถ้าฟังเล่นๆ เ, เฉยๆรับรองว่าสู้กิเลสไม่ได้ ต้องลงมือดูกายดูใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งถึงจะชนะกิเลสได้แต่ต้องมีความอดทนคนที่ฉลาดปราดเปรื่องมาฟังธรรมะไม่กี่ครั้งรู้ตัวตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้เสร็จแล้วขี้เกียจหาสารประโยชน์ใดไม่ได้จริงหรอกเราต้องอดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อความยากลาบากอดทนต่อกิเลสกิเลสจะพาเราใหลืมกายลืมใจตลอดเวลาเพราะหน้าที่ของกิเลสคือจูงเราใหลืมกายลืมใจ เช่นโกรธขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเราโกรธแต่เราจะไปคิดถึงคนที่เราโกรธรักขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจิตมีราคะแต่เราจะไปคิดถึงคนที่เรารักฟังธรรมะแล้วจิตสงสัยเราจะไม่รู้ว่าสงสัยอยู่แต่เราจะไปคิดหาคำตอบฉะนั้นต้องอดทนต่อสู้ไปขี้เกียจก็ได้แต่ไม่เลิกขี้เกียจก็ดูไปง่วงก็นอนแต่ถ้ายังไม่หลับก็ดูไปถ้าอดทนได้การภาวนาก็จะได้ผลเร็ว ขั้นแรกต้องรู้วิธีปฏิบัติก่อนเมื่อรู้แล้วต้องอดทนต้องภาคเพียรต่อเนื่องในการปฏิบตัติไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดไม่ได้กินหรอกถ้าฝึกทุกวันไม่ช้าไม่แพ้พระหรอกเพราะเรามีการกระทบสัมผัสที่รุนแรงทั้งวันทํามาหากินก็ต่อสู้กันดุเดือดนําความบีบคั้นมาให้ซึ่งคือครูที่สอนธรรมะที่ดีที่สุดจะเห็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมากระทบแล้วก็กระเทือนเมื่อมีสติรู้ขึ้นมา ก็เหมือนทํากันบ้านทั้งวันทั้งคืนสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่ดีแต่ถ้ารู้จักใช้แล้วมีประโยชน์มากดังนั้นในขั้นต้นๆภาวนาได้ไม่แพ้พระแต่พอมาถึงขั้นปลายคาวาททํายากเพราะกระทบผัสสะที่หยาบตลอดภาวนาในขั้นละเอียดทํายากแต่ภาวนาขั้นต้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีคาวาททาได้ธรร ม, มะไม่ได้เป็นของผูกขานให้พระแต่พระพุทธเจ้าสอนธรร ม, มะ ให้พุทธบริษัทสี่คือทุกคนนั่นเอง